อนาปฏิวานพิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตรคือข้อหกร้อิกษุณีไม่รู้ว่าเป็นสตรีผู้เป็นโจรจึงบวชให้2อพิกษุณีขออนุญาตแล้วบวชให้3าพิกษุณีบวชให้สตรีผู้เป็นโจรผู้สมควร 4. ีพิกษุณีวิกลจริต5้พิกษุณีต้นบัญญัติสังฆาทิเศษสิกขาบทที่2จบ